บัตรนี้จากได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุกปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อท่านโตทยะมานุปได้กราบทูลถามปัญหามาโดยลำดับในตอนสุดท้ายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบเป็นใจความว่าบุคคลผู้นั้น ไม่มีความหวังไม่หวังอยู่มีปัญญาไม่ก่อตัณหาและทิฏฐิด้วยปัญญาดูก่อนโตเธออยากเธอพึงรู้จักมุนีพุ้นันซึ่งไม่มีความคล่องในกามและครบทั้งหลายดังนี้พระพุทธดำรัสจัตอบนี้เป็นการแสดง ถึงลักษณะของมุนีคือผู้รู้อย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาและแก่ท่านที่บรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลระดับสูงสุดคือพระอระหันต์ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จึงเป็นคุณสมบัติทั่วไปแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายซึ่งสำนวนในการแสดงธรรมะ วิธีนี้ท่านใช้คำว่าประมวลธรรมเทศนาลงไปโดยมีพระอรหันต์เป็นยอดคือหมายความถึงเป็นข้อปฏิบัติชั้นสูงสุดอยู่ที่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าบนเส้นทางสายเดียวกันนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมก็จะพบว่าเมื่อว่ากันโดยหลักปฏิบัติหรืหลักดำเนินชีวิตวิธีชีวิตของคนต้ก็แบ่งออกเป็นสองทาง คือทางเสื่อมกับทางเจริญเรียกผู้เดินไปว่าสุขโตคือไปดีทุกโตคือไปชั่วเรียกสถานที่เกิดว่าสุกติคือสถานที่ดีกับทุกติคือสถานที่ไม่ดีปัจจัยในการใช้เป็นเครื่องส่องทางดําเนินชีวิตจึงมีอยู่สองสายด้วยกันสายแรกท่านใช้คําว่าไม่ฉับปัญญา คืมีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดกับสมรปัญญาคือปัญญาเห็นชอบเพราะในชั้นในชั้นของการปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านจะแสดงโดยปริยายใดก็ตามแสดงแนวแนวสูงก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่จะดําเนินไปอย่างน้อยที่สุดก็ให้ใกล้เข้าแสดงในแนวต่ํา ก็เป็นฐานที่จะผลักดันบุคคลให้ก้าวรุดต่อไปข้างหน้าเพื่อเข้าสู่ในสายที่สูงขึ้นไปถ้าบุคคลพิจารณาเทียบเคียงทึงหลักปฏิบัติธรรมะว่าเหมือนกับการศึกษาแล้วเรียนหรืออ่านหนังสือในปัจจุบันนี้เองที่จริงหนังสือที่เราอ่านก็เกี่ยวข้องกับหนังสือที่เราอ่านสมัยเป็นอนุบาลอยู่ตลอดแต่ว่า ความรู้ความเข้าใจในหนังสือตัวนั้นเองพยัญช น, นะตัวนั้นเองมันเพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกันแม้ในชั้นของการปฏิบัติระดับศีลซึ่งถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่จำแนกศีลออกไปเป็นชั้นชั้นแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับศีลห้าประการตลอดแม้จะเป็นศีลภิกษุหรือศีลภิกษุณีซึ่งนับตัวเลขเป็นร้อยๆ แต่วก็เกี่ยวข้องอยูกับศินทั้ง5ประการไม่อาจที่จะแยกกันได้สศนห้าประการเป็นฐานรองรับและการเพิ่มสินขึ้นก็คือความเจริญเติบโตของสีลทั้งห้านั่นเองตอนนั้นในชั้นนี้คุณลักษณะทั้งหมดที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นการแสดงในส่วนเหตุ ด, ด้วยและในส่วนผลด้วยบุคคลผู้ไม่หวังอยู่ ไม่หวังและไม่หวังอยู่นั้นหมายความว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดความหวังความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาได้ละออกไปจากจิตใจของท่านแล้วต่อมาท่านจะอยู่ในทรามกลางอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อให้เกิดความหวังความปรารถนาก็ตามแต่ท่านก็ไม่หวังในอารมณ์เหล่านั้นคุณธรรมเหล่านี้ในชั้นหนึ่งคือการปฏิบัติ ในลักษณะที่เรียกว่าปล่อยวางอารมณ์บางอย่างเหตุการณ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้วในอดีตหรื อ, อยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตทำใจของตนให้กำหนดอยู่กับเรื่องที่เป็นปัจจุบันมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันในปัจจุบันอาจจะอาศัยอดีตก็อ า, าศัยเพียงบทเรียนแต่ไม่ใช่อาศัยเป็นเครื่องสร้างความทุกข์ทรมาน หรือเพ้อขันพร่ำหาเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและประการที่ควรพิจารณาก็คือว่าปัญญาของท่านเข้าถึงความสมบูรณ์การแสดงออกถึงความมีปัญญาขั้นสมบูรณ์หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่ายังมีการปฏิบัติซึ่งมีลักษณะเพิ่มกิเลสขึ้นหรือไม่ ในที่นี้ทรงแสดงไว้เพียงสองอย่างทรงใช้คําว่าย่อมไม่ก่อตันหาและทิฏฐิด้วยปัญญาก็นี้เพิงสังเกตว่าการปฏิบัติบางอย่างแม้เป็นการใช้ปัญญาก็ตามแต่ปฏิบัติไปแล้วแทนที่จะมีการลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสที่มีอยู่ให้เบาบางลงไป แต่กลับเพิ่มตัญหาเพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อมองในการปฏิบัติแม้เป็นธรรมะปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นว่าการบริจาคทานเพื่อได้รับผลประโยชน์ในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นบริจาคทานเพื่อได้ยศได้เหรียญตราได้สายสะพายเป็นต้น เราดูแล้วก็เป็นเรื่องของความเสียสละแต่แท้จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนโลภะจิตคือจิตจากโลภเงินทองมาเป็นโลภเปลี่ยนจามาเป็นโลภสายสะพายมาเป็นโลภยศศักดิ์ถึงมองในตัวของวัตถุกรรมเองจึงเหล่านั้นตัววัตถุกรรมเองมีความประนีตขึ้นถ้ามองถึงขั้นตอนของพัฒนาการทางจิต ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเราก็ถือว่าสูงขึ้นแต่ถ้า ผ, ผู้ปฏิบัติหรือผู้กระทำเช่นนั้นปล่อยใจของตนให้เกิดโลภะในยศอย่างรุนแรงถ้าไม่ได้ตามที่ตัวหวังก็เกิดเป็นโทสะขึ้นมานี้แสดงว่าเพิ่มกิเลส ข, ขึ้นอีกข้อหนึ่งคือโทสะ เป็นการลดลาภโลภในโลภเพิ่มโทสะในยศเพิ่มโลภในยศพอไม่ได้สมหวังก็กลายเป็นโทสะเรื่ยงความไม่พอใจความทุกข์ความโทมนัสก็แล้วแต่จะเกิดเกิดมากเกิดน้อยทีนี้สมมติว่าเกิดแล้วยศแล้วถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาให้ท่องแท้แต่ว่าสร้างปัญญาเป็นเครื่องก่อตัณหาก่อทิติ สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะเกิดขึ้นติดตามมานั่นคืออะไรคือมานะความรู้สึกว่าตนเป็นอย่างนั้นก็ให้เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าอาหางการคือเราเป็นมีความรู้สึกว่าเราเป็นเราควรจะรับการนับถือยกย่องเชิดชูได้เกียรติในสถานที่เหล่านั้นพอเข้าไปในสถานที่เหล่านั้น ให้ได้รับยกย่องตามที่ตัวต้องการให้ได้รับการยกย่องก็เกิดโทสะเกิดว่าความไม่พอใจบางครั้งบางคราวก็มองคนอื่นว่าดูถูกดูหมิ่นตนจนถึงปฏิบัติการรุนแรงออกไปค้อนี้จะเห็นว่าในแนวของโลกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในแนวของธรรมปฏิบัติแล้วกิเลสแทนที่จะลดกิเลสกลับเพิ่มขึ้น ที่แสดงว่าใช้ปัญญาก่อตัณหาก่อทิฐิขึ้นมามีความอยากที่สืบเนื่องกันไปได้ยศแล้วก็ต้องการการยกย่องการยอมรับนับถือการอมล้อมการให้เกียรติจากบุคคลในสถานที่นั้นๆพอไปในที่ใดตนมีความรู้สึกว่าไม่สมเกียรติยศที่ตนคิดว่าตนควรจะได้จิตใจของบุคคลก็เดือดร้อน เกิดความทุกข์ความโทมนัดความครับแค็นจนถึงกระพะทุสร้ายออกมาดังนั้นในชั้นนี้เองท่านจึงแสดงไว้ว่าบุคคลได้ยศแล้วไม่ควรเมาซึ่งก็หมายความว่าจะต้องใช้ปัญญาเป็นหลักในการปินิจพิจารณาใช้ยศนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนและแก่บุคคลอื่น ซึ่งจาทำได้เช่นนั้นก็อยู่ในฐานะที่จะสร้างสารรค์พัฒนาอะไรได้บ้างแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็จะทําให้ตัวเองตกต่ําในด้านจิตใจแทนที่จะกลายเป็นผู้ชนะก็กลายเป็นผู้แพ้เพราะในแง่ของการปฏิบัติธรรมะแล้วโดยจะชนะใครที่ไหนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามแต่ยังแพ้ใจตัวเองแพ้ความปรารถนาของตัวเองแพ้รม์ที่เกิดขึ้น ใจจิตใจของตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้แพ้อย่างแท้จริงดังนั้นจะพบว่าปฏิปทาของท่านที่ก็ไม่ถึงกับรู้กันว่าท่านได้เป็นพระยาบุคคลแต่ก็เป็นคนประพฤติปฏิบัติดีที่มีจิตใจสะอาดขึ้นประนีขึ้นแต่เป็นชั้นไหนชั้นไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านเข้าใจแยกเข้าใจรวมเข้าใจใช้ในเรื่องเหล่านั้นจะทําให้ไปไหนมาไหนได้อย่างโปร่งเบาสบายไม่เดือดร้อนบางครั้งท่านอาจจะเป็นถึงสังฆราชแต่ท่านก็รู้ว่าตอนไหนควรเป็นสังฆราชตอนไหนควรเป็นพระธรรมดาคือควรเป็นคนคนหนึ่งเท่านั้นเองจะได้จะมีจะเป็นอย่างไรก็รปรับใจพอใจยินดีไม่เกิดความทุกข์ความโทรมนั้น ในขณะเดียวกันบทจะใช้งานก็ใช้ตำแหน่งฐานะของสังกราชอำนวยประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ตำแหน่งหน้าที่เหล่าอื่นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นปัญญาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลถ้าจะมองพิจารณาเทียบเคียงถือเป็นมาตรเป็นเครื่องมือในการวัดสภาพจิตของบุคคลบุคคลจะพบถึง พระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณว่าเป็นมาตรเครื่องวัดการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายและในการวัดนั้นก็เป็นการวัดตามหลักที่ทรงสอนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนและตัดสินตนด้วยตน แตนแง่ของพระธรรมคุณก็คือสารทิติโกเราเห็นได้ด้วยตัวของเราเองปัจจตังเวทิตโปวินยูหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนหมายถึงว่าปัญญาที่บังเกิดขึ้นตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆจะต้องสามารถขจัดบัตเทากิเลสให้เบาบางลงไปได้อย่างในที่นี้ทรงใช้คำม่าไม่ก่อ คือไม่เพิ่มตัณหาไม่เพิ่มทิฏฐิขึ้นมาถ้าสมมติว่าเพิ่มตัณหาเพิ่มทิฏฐิจิตของบุคคลก็ไม่บริสุทธิ์ก็มากลับยืนยันว่าปัญญานั้นไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาในทางที่ผิดแต่ถ้าไม่ก่อคือไม่เพิ่มหมายความว่าส่วนที่มีอยู่ก่อนก็คือมีแต่ว่าในช่วงนั้นในขณะนั้นไม่เพิ่มขึ้น จิตใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงมีความสะอาดมีความปนิระนี์ขึ้นในชั้นหนึ่งผลของการใช้ปัญญาที่ว่าเดินไปในทางที่ถูกต้องเราจะดูว่าใจสะอาดจริงหรือไม่สะอาดจริงเป็นเรื่องของจิตใจที่เราดูกันยากถ้าก็ตรวจสอบด้วยการแสดงออกทางกายกรรมทางวจีกรรม ประกอบด้วยเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นหรือไม่บางครั้งอาจจะไม่ออกมาในรูปของเมตตากรุณาอา จ, จะออกมาในรูปของอดทนรูปของการให้อภัยรูปของรู้จักข่มใจหักข้ามใจก็ถือว่าดีกว่าเก่าแล้วมันเปลี่ยนแปลงก็ดีกว่าเก่าแล้วแล้เมื่อดําเนินประพฤตปฏิบัติต่อไป การแสดงออกซึ่งเมตตากรุณาทางกายโดยเฉพาะทางกายกับทางวาจาก็ปรากฏออกมาได้เป็นการเชีย่ยเห็นถึงผลของการปฏิบัติว่าเริ่มดำเนินเข้าสู่ทางทางของใครทางของมุมนีมุนีไหนมีพระพุทธเจ้าปเป็นต้นไปมีพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายกำว่ามุนีท่านจึงแปลว่าผู้รู้ เป็นลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลชั้นล่างๆคือชั้นศีลธรรมจัญญาก็รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญนั่นเองแต่พอถึงชั้นนี้ก็รู้ที่จิตของตนรู้ว่าความบริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นภายในจิตของตนความสงบเกิดขึ้นภายในจิตของตนได้แม้แต่ในการแสดงออกซึ่งความกรุณา ความเมตตากรุณาก็เป็นการสแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติในชั้นนี้ให้ลองสังเกตว่าราู้แต่เจ้าจะทรงใช้ไว้ตลอดเช่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงค์ที่จะต้องกระทาต่อชาวบ้านในข้อหนึ่งทรงใช้คำว่าสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจอัน ง, งามซึ่งก็หมายความว่าสงเคราะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีลักษณะตกเบ็ดไม่มีลักษณะอ่อยเยื่อไม่มีลักษณะต้องการผลประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่าการสงเคราะห์เป็นการทํางานตามเป้าหมายที่ทรงสั่งสอนแก่พระหัมตสาวกเมื่อส่งไปประกาศพระศ า, ศาสนาไว้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอํานวยความสุขแก่มหาชนดังการแสดงออกในลักษณะนี้ ในเชิงปฏิบัติก็จะต้องมีการตรวจสอบสภาพจิตในขณะนั้นๆด้วยว่าตอนแสดงออกซึ่งความกรุณาหรือเมตตากรุณานั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเวลาลูกเจ้านายลูกผู้หลักผู้ใหญ่มาเราก็แสดงออกอกใจโอบอุ้มให้ความดูแลเอาใจใสแก่ ในเชิงปฏิบัติชั้นนี้ก็ต้องถามใจตัวเองว่าที่ทำออกไปนั้นทาโดยเมตตากรุณาจริงหรือหรือว่าทำด้วยการความรู้สึกต้องการประจบเอาใจเจ้านายต้องการผลประโยชน์จากเจ้านายถ้าการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เราอุ้มเด็กแต่ว่าให้ต้องการจะให้เด็กอุ้มเราขึ้นไปใจก็ไม่สะอาด นั้นความกรุณาก็ตรวจสอบได้ที่จิตด้วยพระพุทธคุณทั้งสามประการจึงตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาได้ปัญญาที่เกิดขึ้นจะต้องแสดงออกมาในรูปของความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าความโลภลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงจะลดลงในระดับใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องลดลงในขณะที่พวกนี้ลดลงอะไรเพิ่มขึ้น ปัญญาเพิ่มขึ้นกรุณาเพิ่มขึ้นไม่ใช่กรุณาลดเพราะลักษณะของการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลผู้ปฏิบัติสามารถตรวจสอบพิจารณาภายในใจของตนได้ว่าเวลากุศลและธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นจนเมตตากรุณาสติสามัญญาหิริโอตปะอะไรก็ตามจะเกิดขึ้น จะมีลักษณะทำลายอกุศลที่ตรงกันข้ามกับตนในขณะที่ทำลายกุศลนั้นกลับรักษาสิ่งที่เป็นอภัยกฤจคือสิ่งที่เป็นกลางๆอยู่รักษาสิ่งที่เป็นกลางๆเอาไว้แล้วพัฒนาสร้างสารรค์ต่อไปโดยใจของบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ผูกพันอยู่กับสิ่งนั้น ไม่ไปยึดถือเอาไว้เป็นของของตนแต่มุ่งให้เกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลทั้งหลายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆที่เป็นรู ป, ปรธรรมแล้วแสดงออกมาแล้วทางอาการกายทางอาการวา จ, จาของบุคคลเหล่านั้นขณะนี้จะเห็นได้ว่าการตัดไม้ทําลายป่าเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นจากความโลภจัดซึ่งหมายความอาคุศลเกิดขึ้น ควางามจิตใจของผู้ทำเช่นนั้นเพราะกุศลเกิดขึ้นความโลภเกิดโกรธความหลงก็เพิ่มขึ้นถ้าใครไปขัดขวางก็เกิดความโรรกรธเพราะนกุศลจึงมีลักษณะทําลายทําลายทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลทําลายทั้งที่เป็นฝ่ายของกลางๆหรือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา เพราะเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นถ้าปัญญาเกิดขึ้นถูกทางปัญญาจะทำลายกุศลทำให้ใจสงบขึ้นกรุณามุตคารุณาเมตตาคารุณาซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับปัญญาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามอะไรตามสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น เหตุนั้นควรกระทาบําเพ็ญให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อใจไม่ตากรุณาจริงก็ตรวจสอบบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ได้ว่าบริสุทธิ์จริงพระบริสุทธิ์นั้นเราสังเกตกันยากดูกันยากแต่จะต้องตรวจสอบด้วยอาการเหล่าอื่นที่แสดงออกมาของบุคคลเราดันชั้นนี้จึง เป็นธรรมปฏิบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายได้ในระดับนั้นๆเหมือนกันในข้อต่อไปทรงแสดงสภาพจิตของพระที่เป็นมุนีชั้นสูงสุดว่าจิตใจไม่ค้่องในกามและในภพทั้งหลายโดยจุดหมายสูงสุดจริงๆพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้น ถ้าถึงสภาพที่เป็นโลกุตตระคือพ้นจากโลกกรามนั้นเป็นเรื่องโลกพบเป็นเรื่องโลกแม้จะประณีตยอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องโลกเมื่อท่านท่านพ้นจากโลกไปท่านก็ไม่ข้่องอยู่ในกรามและในพบในชั้นปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไปก็จะพบว่ากามนั้นก็มีสองฝ่าย คือควายที่เป็นวัตถุกรมแด้แก่สิ่งที่เป็นรูปเสียงเป็นต้นสิ่งที่เป็นกิจกิเลสกามคือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความคลายความพอใจเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรักความต้องการความปรารถนาความยินดีความกับหนักความเพลิดเพลินเป็นปต้นในชั้นกงการปฏิบัติถ้าหากว่าบุคคลได้เพิ่ม คุณธรรมดังกล่าวแล้วคือปัญญาขึ้นภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นๆจนเนในขณะปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งใจจะไม่ค้่องในอารมณ์เหล่าอื่นตัวอย่างในการปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในเบื้องต้นว่าให้ตัดปริพภทคือเครื่องกังวลกังวลถึงสิ่งของการงานภารกิจที่ ได้ทํามาแล้วและจะทําต่อไปตลอดถึงเครื่องใช้ไม้ส้อยครอบครัวบุตรพญายาเป็นต้นเฉพาะในขณะนั้นย้าย ใ, ใจแวบไปอยู่ในเรื่องอื่นแต่ให้อยู่กับอารมณ์ซึ่งกําหนดรลึกอยู่ในขณะนั้นนั้นจะทําให้ใจนมน้อมเข้าหาความสงบได้เร็วขึ้นหรือแม้แต่ในการทํางานเหล่าอื่นทํางานอะไรก็ให้ใจอยู่กับเรื่องนั้น อย่าไปคล่องอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องดอกอื่นแล้วก็ขอให้เกิดสมาธิึ้นมาภายใน ใ, นใจในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลจะพบว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามที่ตนหวังหวังทุกอย่างไม่ได้ถึงก็เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงชี้เอาไว้ตั้งแต่เทศนาครั้งที่สองแล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าว่าเป็นนาตาตัวตนบุคคลก็อาจจะตั้งความหวังว่าขอสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เธอจะได้เป็นอย่างนั้นเลยได้คือต้องการยังไงก็ได้ต้องการไม่ให้มีก็ได้ต้องการให้มีก็ได้แต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นนาตาเมื่อเป็นนาตาบุคคลจึงไม่อาจตั้งความหวงังให้เป็นไปตามที่ตนหวงัง เวลาทํางานก็คือทํางานทุ่มเทลงไปแต่ไม่ใจไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่เกี่ยวเกาะอยู่ในเรื่องนั้นมุ่งหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทีพระเจ้าทรงแสดงว่าภารกิจของคนนั้นก็ เ, เหมือนกับชาวนาชาวนาทนํานาดูภารกิจของตนจะต้องทําในช่วงไหนการไถานาการหว่านกล้าการปักดํา การชักน้ำข้าวนาการไถ่น้าออกจากนาการตรวจดูสัตูพืชทั้งหลายเป็นภารกิจที่ตัวเองทาได้แต่การจะไปบังคับให้ข้าวตั้งท้องให้ข้าวออกรวงให้ข้าวสุกในเวลาที่เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมเป็นไปไม่ได้ในประการหนึ่งนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดคิดว่าจะได้บางทีมันก็ไม่ได้ อย่างน้อยก็ไม่ได้เต็มตามความปรารถนาถ้าว่าบุคคลได้เตรียมใจยอมรับความจริงในสิ่งต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เวลาเกิดสมหวังก็ไม่ระิงหลงเพลิดเพลินดีจนเกินไปเวลาไม่สมหวังก็ปรงใจได้มองเห็นเป็นธรรมดาความสงบก็เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ พบนั้นหมายถึงอุปัตติพบคือสถานที่ที่สัตว์จะไปอุบัติโดยความหมายที่เต็มรูปก็หมายถึงการมาพบรูปประพบอรูปประพบการพบก็คือพบที่สัตว์ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามทั้งหลายรูปประพบก็คือพบที่สัตว์ผู้ไปบังเกิดด้วยแรงของฌานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐาน รูปภพก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่บางครั้งหมายถึงสังขารภพคือการปรุงแต่งหรือการปรุงคิดการคิดปรุงของบุคคลทั้งหลายและจนมีความสําคัญมั่นหมายในความเป็นในฐานะในตําแหน่งต่างๆที่เรียกว่าภาวะตันหาเพราวะตันหาก็คือพวกสังขารภพที่ปรุงแต่งขึ้นมาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ ถ้าใจไม่ข้องในความเป็นเป็นก็เป็นนั่นก็คือสมมติสัจจะอย่างนี้ท่านใช้คําว่าเป็นก็เป็นได้จะเป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นตอนไหนควรเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะที่ตนเป็นแต่ก็ไม่ยึดถือในความเป็นเหล่านั้นไม่ไปเอาจริงเอาจังกับความเป็นเหล่านั้นมากเกินไปเพอจะมาอย่างนั้นแล้ว เราจะกอให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจความหงุดหงิดจะเกิดมาณนะเกิดอ่างการเกิดมามังการห่างการแปลว่าเป็นเรามามังการแปลว่าเป็นของเราขึ้นมามันเป็นอาการพรุงพรังทางอารมณ์หรือทางจิตใจการจะไปไหนมาไหนของบุคคลเหล่านี้จะไม่มีลักษณะโปร่งเบาเพราะตาใหญ่โตมากบางครั้งถนนลนทางแคบไปหมดเลย ที่นั่งที่อยู่ที่เดินแคบไปหมดกเดินจะต้องหลีบทางให้ตนนี่เรียกว่าไปด้วยอาหางการไปด้วยาบำบังการแต่ถ้าไปเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าทรงชช้คำว่าไปเหมือนโคเขาเขาหักคือโคที่เขาหักแล้วไปอย่างสงบสงเสงี่ยมเตียงตัวแล้วก็พร้อมที่จะหลบจะหลีกใครก็ได้ไม่มีเขาที่จะไปสู้ไปทะเลาะไปวิวาสกับใคร จะไปในที่ไหนก็เบาลงสบายลงนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติทึ่เดินไปตามเส้นทางของพระพุทธเจ้าตามเส้นทางของพระหานทั้งหลายเมื่อทําได้แล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนอะไรชื่อว่าเป็นมุนีในระดับนด่นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป